เจรอนพรท่านผู้มีจิตศรัทธาใจบุญใจกุศลทุกทุกท่านวันนี้เป็นวันที่หนึ่งพทษภาคมพุทธศักรา2 5 5งเเป็นวันหยุดราชการเนื่องจากเป็นวันแรงงานแห่งชาติเมื่อก่อนวันแรงงานแห่งชาติเรียกว่าวัน กรรมกรกรรมกรก็แปลว่าผู้ใช้แรงงานนี้เองมาจากคาว่ากรรมกรรมก็คือการกระทาต่างๆทางกายทางวาจาและทางใจทางใจเรียกว่ามนโนกรรมทางวาจาเรียกว่าวาจีกรรมทางกายเรียกว่ากายกรรม การกระทำแล้วก็จะมีผลคือวิบากตามมาวิบากจะดีหรือชั่วจะสุขหรือทุกข์จะเจริญหรือเสื่อมก็อยู่ที่การกระทำนั้นทำไปในทางใดถ้าทำไปในทางที่ดี ทางบุญทางกุศลก็จะได้วิบากที่ดีคือได้ความสุขความเจริญถ้าทำไปในทางที่ไม่ดีไปทำบาปทำกรรมก็จะได้ผลที่ไม่ดีคือได้ความทุกข์ได้ความเสื่อมเสีย การกระทำทั้งหมดนี้ก็เป็นของแต่และบุคคลไม่มีใครทําแทนกันได้และไม่มีใครรับวิบากรับผลแทนกันได้ใครทําอะไรไว้ก็ต้องเป็นผู้รับผลของกรรมนั้นไปแต่การกระทำนี้ ทำมาแล้วทั้งในอดีตทั้งในชาตินี้และชาติต่างๆที่ผ่านมาที่ยังไม่ได้ส่งผลก็มีที่ส่งผลไปแล้วก็มีการกระทาในปัจจุบันที่เราทากันอยู่นี้ก็มีส่วนที่ส่งผลให้แล้วก็มีส่วนที่ยังไม่ส่งผลให้ก็มี อาจจะต้องรอไปในอนาคตถึงจะส่งผลก็ได้ดังนั้นเวลาที่เราทําความดีในปัจจุบันแต่เรายังไม่ได้ผลยังไม่ได้รับผลดีที่เกิดจากการกระทําในปัจจุบันก็อย่าไปคิดว่าไม่มีผลตามมาหรือเรากำลังรับผลที่ไม่ดี จากกรรมที่ไม่ดีในอดีต ก, ก็อย่าไปโทษว่าทาดีแล้วไม่ได้ดีอย่างนี้เพราะกรรมนี้เราทำกันมามากมายหลายครั้งหลายเวลาด้วยกันและกรรมแต่ละกรรมก็ส่งผลให้เกิดขึ้นไม่ไม่พร้อมกันบางอย่างก็เกิดเร็ว บางอย่างก็เกิดช้าไม่ว่าดีหรือชั่วกระามเพราะฉะนั้นอย่าไปสับสนคิดว่าเราทำดีแล้วทำไมเราไม่ดีมีแต่เรื่องไม่ดีต่างๆเกิดขึ้นกับเราอยู่เรื่อยๆก็ขอให้เราคิดว่าเป็นผลที่เกิดจากการกระทําในอดีตที่ผ่านมา หรือด้ทางตรงขันข้างเราไม่ได้ทำความดีเลยทาแต่บาปทำแต่กรรมแต่ทำไมเราจึงได้รับแต่ผลดีหรือผู้อื่นที่เขาทำแต่บาปแต่กรรมไม่ได้ทาความดีเลยทำไมเขาจึงได้ได้ดีดได้ดีกันก็ขอให้เราทำความเข้าใจดังที่พูดไว้ว่ากรรมมันทำมาแล้วในอดีต มันเพ่งมาส่งผลต่อ น, นี้ในอดีตเคยทำกรรมดีไว้จึงได้ส่งผลมาในขณะที่กำลังทำบาปทำกรรมอยู่ก็ได้หรือเราอาจจะไม่เข้าใจถึงผลของบุญและบาปว่าเป็นอย่างไรเราคิดว่าถ้าเราทำบุญทำความดีแล้วเราจะต้องร่ำรวยจะตั้งได้ รับการเลื่อนยศเลื่อนตำแหน่งจะต้องมีการสรรเสริญอย่างนี้ก็ไม่ได้เรียกว่าเป็นผลที่เกิดจากการทำความดีเกิดจากการทำบุญถ้าจะเป็นผลก็เป็นผลพลอยได้ไม่จำเป็นที่จะต้องเกิดขึ้นเสมอไปเพราะผลหลักผลจริงๆที่เกิดขึ้นนั้นเกิดขึ้นภายในจิตใจของเรา จิตใจของเราจะมีความสุขหรือจะมีความทุกข์จะร่มเย็นเป็นสุขหรือจะร่มร้อนวุ่นวายนี่ต่างหากคือผลของบุญของกรรที่เกิดขึ้นที่แท้จริงและยังส่งผลให้จิตใจของเรานั้นเป็นไปตามสภาพต่างๆถ้าจิตเย็นจิตสงบก็จะเป็นสุขกติ ถ้าจิตรุ่มร้อนจิตวุ่นวายก็จะเป็นทุกขตินี่คือผลที่เกิดจากการทำบาปทำบุญส่วนผลพลอยได้ที่จะได้รับจากผู้อื่นเช่นผู้อื่นเห็นว่าเราทำความดีก็อยากจะตอบแทนด้วยการให้รางวัลด้วยการให้เงินให้ทองหรือด้วยการสนับสนุนต่างๆ อย่างนี้เรียกว่าเป็นผลปล่อยได้เป็นของแถมไม่จำเป็นสำหรับผู้ที่ได้รับผลภายในใจแล้วถ้าทําดีแล้วจิตใจมีความนุ่มเย็นเป็นสุขแล้วใจก็จะไม่หิวไม่อยากไม่ต้องการอะไรจากใครทั้งสิน้นพอใจที่จะอยู่อย่างนี้ถึงแม้จะยากจนไม่มีข้าวของเงินทองไม่มีตำแหน่ง จดถานาศัตว์ไม่มีใครยกย่องสรรเสริญแต่ภายในใจกลับมีความสุขใจมีความภูมิใจมีความอิ่มเอิบใจไม่หิวไม่อยากไม่ต้องการอะไรจากใครทั้งสิน้นนี่คือผลที่แท้จริงเกิดที่เกิดจากการทำความดีในทางตรงกันข้ามทำบาปทำกรรมแล้วได้ดีได้ดี ได้เป็นสอสอได้เป็นนายกได้เป็นอะไรต่างๆแต่ภายในใจกับรุ่มร้อนวุ่นวายใจมีความหิวมีความกระหายอยากจะได้มากยิ่งขึ้นไปอยากจะเป็นสูงขึ้นไปนี่คือผลที่เกิดจากการทำบาปทํากรรมทําในสิ่งที่ไม่ดีจะทำให้จิตใจนี้ มีแต่ความรุ่ม ร, ร้อนมีแต่ความหิวความอยากความต้องการไม่รู้จักจบจากสิ้นดังนั้นในการทำบุญหรือการทำบาปนั้นขอให้เราดูที่ใจของเราเป็นหลักถ้าเราทำแล้วจิตใจเราสงบล่มเย็นเป็นสุขมีความอิ่มเอิบใจมีความพอใจไม่หิวไม่อยากไม่ต้องการอะไร อย่างนี้เรียกว่าเราทำบุญเราทําถูกทางเพราะบุญก็คือความสุขนี้เองบุญแปลว่าความสุขใจด้วยการเกิดจากการกระทําต่างๆเช่น เ, เกิดจากการให้ทานเกิดจากการเสียสละเกิดจากการรับใช้ผู้อื่นช่วยเหลือผู้อื่นสงเคราะห์ผู้อื่น อย่างนี้เมื่อเราทำไปแล้วใจของเราจะมีความสุขใจถ้าเราทำด้วยจิตใจที่บริสุทธิ์คือไม่ปรารถนาสิ่งตอบแทนจากผู้ที่รับการช่วยเหลือจากเราแม้แต่คําว่าขอบคุณก็ไม่ปรารถนาหรือแม้แต่ให้เขารู้ว่าเราทำก็ไม่ปรารถนาอย่างบางท่านทำโดยที่ไม่ไม่ประสงค์จะออกนาม เช่นเวลาบริจาคทรัพย์บางท่านก็ไม่เขียนชื่อลงไปเพราะไม่ปาถนาอะไรทั้งสิ้นที่เกิดจากการให้ทานนี้เหมือนกับเป็นการปิดทองหลังพระคือไม่ต้องการให้ใครรู้คือไม่ได้หมายความไม่อยากให้ใครรู้แต่ก็ไม่ ไม่ปรารถนาที่จะต้องการอะไรจากการกระทำการให้นี้เลยขอเพียงแต่ให้ได้ให้ก็มีความสุขใจมีความพอใจมีความภูมิใจนี่คือการกระทำที่เรียกว่าเป็นบุญเป็นกุศลเป็นอย่างนี้ส่วนการกระทำที่ทำไปแล้วเกิดความวุ่นวายเกิดความทุกข์ตามมาในภายหลัง แม้จะเกิดความสุขในเบื้องต้นก็ถือว่าเป็นการกระทาที่ไม่ดีเช่นเราไปทําร้ายไปเบียดเบียนผู้อื่นในเวลาที่เรามีความโกรธหรือเรามีความต้องการสิ่งหนึ่งสิ่งใดแล้วเราได้มาด้วยการเบียดเบียนผู้อื่นเราจะมีความสุขมีความดีใจ ที่เราได้ในสิ่งที่เราอยากได้แต่เราจะมีความรู้สึกไม่สบายใจตามมาเพราะเราจะมีความหวาดกลัวเราจะมีความกังวลมีความวิตกมีความไม่สบายใจเกรงว่าจะถูกจองล้างจองผานถูกร้านแค้นถูกจับเอาไปลงโทษ นี่คือผลที่เกิดจากการกระทำบาป ก, การกระทำที่ไม่ดีถึงแม้จะได้สิ่งต่างๆมาได้ตำแหน่งมาได้เงินได้ทองมาแต่ในใจจะไม่มีความรู้สึกภาคภูมิใจและจะไม่อิ่มเอิบใจกับมีความหิวความอยากมากเพิ่มขึ้นไปอีกพอได้มาคืบแล้วก็อยากจะได้สอบ ใด้สอบก็อยากจะได้วา่าถ้าการกระทําของเราเป็นอย่างนี้ขอให้เราเข้าใจว่าเราทําในทางที่ไม่ถูกเช่นเราไปเที่ยวอย่างนี้เป็นต้นไปเที่ยวแล้วเรามีความสุขแล้ววันต่อไปเราก็อยากจะไปเที่ยวอีกไปเล่นการพนันแล้วได้มาเราก็อยากจะได้อีกก็ต้องกลับไปเล่นอีก พอเล่นแล้วเสียก็อยากจะได้คืนอีกก็ต้องกลับไปเล่นอีกไม่ว่าจะได้หรือจะเสียก็เกิดความอยากได้อยากได้คืนหรืออยากได้มากขึ้นแล้วในที่สุดก็จะหมดเนื้อหมดตัวไปนี่เป็นการกระทมที่ไม่ถูกไม่ได้ให้ความสุขอย่างแท้จริงเดิมสุราก็เช่นเดียวกันเวลาเดิมสุราก็มีความสุข แต่หลังจากนั้นก็เกิดอาการมึนเมาแล้วก็จะไปพูดไปทำในสิ่งที่เสียหายตามมาร่างกายก็จะบอกช้ำจากพิษของสุราเงินก็ต้องเสียไปเวลาก็เสียไปเพราะในขณะที่มึนเมาจะไม่สามารถทำอะไรให้เป็นประโยชน์ได้นี่คือ การกระทาที่ไม่ดีที่เราควรจะพิจารณากันควรจะคิดกันก่อนเสมอว่าการกระทาของเรานี้ไม่ว่าจะเป็นทางวาจาก็ดีทางกายก็ดีหรือทางใจก็ดีถ้าทาไปแล้วเกิดความรุ่มร้อนใจขึ้นมาก็ควรระงับดับไม่ควรจะกระทา ในทางใจก็คือเวลาที่เราเกิดความโกรธเราจะมีความรุ่มร้อนในจิตใจจะนั่งอยู่ไม่ติดกินไม่ได้นอนไม่หลับจะคิดอยู่แต่ว่าจะทําอย่างไรที่จะทําให้ได้ทําตามดังที่ต้องการเวลาโกรธก็มีความแค้นมีความอาฆาตพยาบาทอยากจะทําให้ คนที่ทำให้เราโกรธแค้นนั้นเจ็บปวดรวดร้าวทุกทรมานและพยายามจะหาวิธีทางต่างๆเพื่อทำให้ได้ตามที่ได้คิดไว้อย่างนี้ไม่ใช่เป็นวิธีที่จะทำให้เกิดความสุขเกิดความสงบแต่เป็นการทำให้เกิดความทุกข์ความรุ่มร้อนใจมากยิ่งขึ้น เรียกว่าเป็นการกระทำบาปทางใจและจะขยายต่อไปในทางวาจาและทางกายถ้าไม่รู้จักระงับทางที่ดีทางที่ควรก็คือต้องระนับความโกรนนี้ให้ได้ต้องมองเห็นต้องมองว่าความโกรนนี้เป็นพิษเป็นภัยกับจิตใจเพราะเป็นเหมือนไฟที่ไหม้บ้านของเรา เวลาไฟไหม้บ้านของเรานั้นเราอย่าไปโทษคนนั้นโทษคนนี้ไปหาเรื่องกับคนนั้นคนนี้ว่ามาทำให้บ้านเราไฟไหม้ไฟกำลังไหม้สิ่งที่เราต้องรีบทำก็คือรีบหาน้ำมาดับไฟในบ้านอย่าไปด่าคนนั้นไปว่าคนนี้ไม่เกิดประโยชน์อะไรเพราะบ้านจะไหม้ไปหมดถ้าเรารีบเอาน้ามาดับไฟ ก็อาจจะทําให้บ้านนั้นไม่หม้ไปหมดใจของเราก็เป็นอย่างนั้นเวลาเกิดความม้อนร้อนใจด้วยความโกรธเราต้องระ ง, งับความโกรธนี้อย่าไประ ง, งับผู้ที่ทําให้เราโกรธไปทุบไปตีไปทําลายเขาเราต้องมาทุบมาตีมาทําลายความโกรธที่มีอยู่ในใจ เพราะมันกำลังเผาผลาญจิตใจมันกำลังทุบตีจิตใจของเราให้มีความรุ่มร้อนมีความทุกขนะ์และวิธีที่จะทำก็ง่ายเพียงแต่ให้อภัยยกโทษผู้ที่กระทำนั้นเสียใจก็จะความความโกรธก็จะระงับจับไปหรือคิดเสียว่าเหตุการณ์มันก็เกิดขึ้นแล้วผ่านไปแล้ว ก็ไปไปแก้มันไม่ได้ไปเปลี่ยนมันไม่ได้แก้วแตกแล้วจะทำให้แก้วนั้นกลับมาเหมือนเดิมไม่ได้จะโกรธอย่างไรจะไปฆ่าคนที่ทำให้แก้วแตกก็ไม่สามารถเอาแก้วใบนั้นกลับคืนมาได้ก็คิดเสียว่าเป็นโอกาสที่ดีที่เราจะได้แก้วใหม่มาใช้เพราะแก้วเก่ามันแตกไปแล้วเราก็ไปหา แก้วใหม่มาใช้ก็จะได้แก้วใหม่กว่าเก่าดีกว่าเก่าถ้าคิดอย่างนี้ก็จะดับความโกรธได้และจะมีความสุขจะรู้สึกเฉยเฉยต่อไปเวลาใครทำอะไรเราจะไม่วุ่นวายไปกับการกระทำของเขาเพราะเรารู้ว่าความวุ่นวายใจของเรานี้มันเป็นโทษมันไม่เป็นคุณกับจิตใจของเรา แต่การที่เราจะทําอย่างนี้ได้เราต้องฝึกให้มีสติอยู่ตลอดเวลาเราต้องคอยเฝ้าดูใจของเราว่ากําลังเป็นอย่างไรกําลังโรกรธกําลังโลภกําลังหลงหรือกําลังสบายกําลังอิ่กําลังมีความสุขใจเราสามารถดูได้แต่เราไม่ค่อยดูกัน เพราะไม่มีใครสอนเราส่วนใหญ่จะมองไปข้างนอกกันมองไปทางสิ่งต่างๆที่เราเห็นที่เราได้ยินแล้วเวลามันมาสร้างความปั่นป่วนวุ่นวายให้กับใจของเราเราก็พยายามไปแก้สิ่งที่ทาให้เราปั่นป่วนใจแทนที่จะมาแก้ความปั่นป่วนใจด้วยการปล่อยวางสิ่งต่างๆ อย่าไปยุ่งอย่าไปเกี่ยวอย่าไปยากกับสิ่งต่างๆเท่านั้นความปั่นป่วนใจก็จะหายไปแต่พวกเรามันโง่ขาดปัญญาไม่เคยมีใครสั่งสอนไม่เคยศึกษาพระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าจึงหลงยึดติดกับสิ่งต่างๆแล้วก็วุ่นวายปั่นป่วนไปกับสิ่งต่างๆอย่างไม่รู้สึกตัว และไม่รู้จักวิธีแก้เกิดมาตั้งแต่วันเกิดมาจนถึงวันนี้แล้วจิตใจก็ยังปั่นป่วนวุ่นวายเหมือนเดิมและก็จะเป็นอย่างนี้ไปอีกเรื่อยๆถ้าไม่หันเข้ามาดูใจไม่เฝ้ามองใจด้วยสติต้องดูว่าใจกำลังคิดเรื่องอะไรคิดไปในทางบุญหรือในทางบาปคิดไปในทางกุศลหรืออกุศล ถ้าไม่รู้ว่าบุญคืออะไรบาปคืออะไรกุศลคืออะไรอกุศลคืออะไรก็ต้องศึกษาพราะธรรมคาสอนบุญก็คือการทำความดีต่างๆดังที่ได้กล่าวไว้เช่นการให้ทานการรักษาการการเสียสละการช่วยเหลือผู้อื่นสงเคราะห์ผู้อื่นอย่างนี้เรียกว่าบุญส่วนบาปก็คือการ ถ้าสัตว์ตัดชีวิตลักทรัพย์ประพฤติผิดประเวณีพูดปลดมดเท็ดและการเสพสุรายาเมาและอบายามุขอื่นๆคือการเที่ยวกลางคืนการคบคนชั่วเป็นมิตรเล่นการพนันความเกลียดคร้านสิ่งเหล่านี้เป็นสิ่งที่ไม่ดีทำไปแล้วจะมีแต่นำความเสื่อมเสียมาให้ เรียกว่าบาปเรียกว่าอบายยมุกต้องต้องรีบระ ง, งับท่าใจคิดไปในทาง น, นั้นถ้าคิดอยากจะออกไปเที่ยวตอนกลางคืนก็อยา่าก็อย่ากออกไปคิดถึงส่วนที่เสียหายเสียเงินเสียทองต้องออกไปเสี่ยงภยัยอันตรายในยามค่ำคืนไม่รู้ว่าจะได้กลับมาบ้านหรือไม่หรือจะต้องไปนอนที่โรงพยาบาล หรือจะไปที่วัดวาอารามก็ไม่มีใครรู้ถ้าเราไปดูที่โรงพยาบาลที่วัดดูเราจะเห็นว่ามีคนที่ออกไปเที่ยวกลางคืนแล้วไม่ได้กลับบ้านกันเป็นจำนวนมากมีอยู่แทบทุกคืนถ้าเรามองเราคิดอย่างนี้แล้วก็จะทำให้เราไม่อยากจะออกไปนอกจากมีความจำเป็นเช่นเป็นงานแต่งงานงานที่เกี่ยวข้องกับคน ที่เรารู้จักอย่างนี้ก็ไปด้วยความระมัดระวังไปด้วยการมีสติไม่ไปแบบไปแบบไปเพื่อให้มึนเมาจนไม่สามารถควบคุมสติควบคุมใจของตนได้ไปเท่าทีาจ่จำเป็นอย่างนี้ก็ยังพอที่จะทำได้ส่วนอกุศล น, นั่นก็คือความคิดที่ไม่ดีในใจของเรานั่นเอง เช่นเวลาเกิดความโลภขึ้นมาอยากได้ในสิ่งที่ไม่มีความจำเป็น <c oughs> เช่นของฟุฟ่เฟยต่างๆเสื้อผ้าที่เรามีพอใช้แล้วแต่ยังอยากจะได้มาอีกอย่างนี้เรียกว่าเป็นอกุศลเพราะความอยากจะไม่ทำให้เราได้พบกับความอิ่มความพอแต่จะทำให้เรามีแต่ความอยากความต้องการ เพิ่มมากขึ้นไปเรื่อยๆเราจะทำให้เราต้องดิ้นรนหาเงินหาทองเพื่อมาสนับสนุนความอยากถ้าไม่มีความสามารถที่จะหามาด้วยความสุจริต ก, ก็จะต้องไปหามาด้วยวิธีทุจริตไปปล้นไปจี้ไปลักไปขโมยไปช่อฉลนโกหกหลอกลวงไปกระทำการคอรัปชั่นต่างๆ เพื่อที่จะมาสนองตันหาความอยากนี่คืออกุศลทางที่เกิดขึ้นในใจทุกครั้งเวลาที่เรามีความต้องการความอยากอะไรเราต้องพิจารณาแยกแยะว่าจำเป็นหรือไม่จำเป็นถ้าจำเป็นก็หามาได้เพราะจะไม่เป็นความอยากแล้วจะเป็นเป็นเฉพาะกิจเท่านั้น เช่นเสื้อผ้าเราขาดหมดแล้วไม่มีใส่จำเป็นจะต้องซื้อมาใส่ใหม่อย่างนี้ก็ซื้อมาได้แต่มันจะไม่เป็นอย่างนี้ทุกวันเสื้อผ้ามันไม่ขาดง่ายๆซื้อมาแล้วใส่ไปจะใช้ไปได้เป็นเดือนเป็นปีแต่ถ้าใช้ตามอารมณ์ตามความอยากแล้วเห็นเสื้อผ้าใหม่ๆเขาแขวนไว้ในร้านก็อยากได้ อย่างนี้ออกไปทีไรเหตุทีไรก็อยากจะได้ทุกทีอย่างนี้ก็จะไม่มีทางที่จะมีเงินพอที่จะมาสนองความอยากความต้องการได้ก็จะต้องไปทำในสิ่งที่เสียหายนี่คืออกุศลทางจิตใจความคิดที่ไม่ดีเช่นความโลภความโกรธและความหลงต่างๆ ต้องใช้ปัญญาใช้เหตุผลถึงจะระงับได้ความหลงก็คือความยึดติดในสิ่งต่างๆในบุคคลต่างๆไม่รู้ว่าสิ่งต่างๆหรือบุคคลต่างๆนั้นจะไม่อยู่กับเราไปตลอดจะต้องจากเราไปวันใดวันหนึ่งถ้ารู้แล้วจะไม่หลงยึดติดถ้าไม่หลงยึดติดก็จะไม่วุ่นวายใจไม่ปั่นป่วนใจเวลาอยู่ก็อยู่ เวลาไปก็ไปไม่ไ ม, ไ, มไม่ยึดไม่ติดไม่หวมไม่แหนไม่เสียดายนี่คือกุศลกุศลก็คือการปล่อยวางอากุศลก็คือความยึดติดถ้าเรายึดติดแสดงว่าเราโง่ไม่ฉลาดถ้าเราปล่อยวางแสดงว่าเราฉลาดคนฉลาดเช่นพระพุทธเจ้าและพระอาหารหันต์ทั้งหลาย ท่านไม่ยึดไม่ติดกับอะไรทั้งสิ้นท่านปล่อยวางหมดไม่ว่าจะเป็นรากยศเสริญสุขตาตๆที่ต้องที่ท่านก็ต้องสัมผัสเหมือนกับพวกเราแต่ต่างกันตรงที่ท่านไม่ยึดไม่ติดท่านไม่หวงไม่แหนไม่เสียดายและไม่อยากได้แต่ถ้าเป็นพวกเราแล้วจะมีความหลงจะยึดจะติดจะอยากได้ เวลาสูญเสียไปก็เศร้าโศกเสียใจร้องห่มร้องไห้เวลามีอยู่ก็มีความกังวลมีความห่วงนี่คือผลที่เกิดจากอากุศลคือความหลงไม่เห็นว่าไม่เที่ยงไม่เห็นว่าเป็นทุกข์ไม่เห็นว่าไม่ใช่เป็นของเราอย่างแท้จริงส่วนกุศลก็คือปัญญา หรือความฉลาดรู้ทันรู้ว่าไม่เที่ยงรู้ว่าเป็นทุกข์รู้ว่าไม่ใช่ของเรานี่คือกุศลทางด้านจิตใจที่เราควรที่จะเสริมจะควรจะเจริญอยู่เรื่อยๆด้วยการฟังเทศฟังธรรมด้วยการนำเอาไปพินิจพิจารณาด้วยการนำเอาไปปฏิบัติอย่างจริงจังมีอะไรก็ไม่ยึดไม่ติด ถ้ายังไม่นำไปปฏิบัติแสดงว่ายังไม่รู้จริงถ้ายังไม่ปล่อยวางก็ยังจะต้องทุกข์ต่อไปถ้าปล่อยวางได้แล้วจะไม่ทุกข์กับอะไรจะมีความสุขท่ามกลางการไปการมาของลาบยศสารเสริญสุขต่างๆแต่ถ้าไม่ปล่อยวางก็จะวุ่นวายกับลาบยศสรเสริญสุขไป อย่างไม่รู้จักจบจากสิ้นนี่คือหน้าที่ของเราที่เราต้องดูแลใจของเราด้วยตัวเราเองอตตาหิอัตโนนาโถตนเป็นที่พึ่งของตนเพราะถ้าเราดูแลรักษาใจของเราให้ตั้งอยู่ในความสงบปราศจากความโลภความโกรธความหลงปราศจากความอยากความยึดติดแล้ว ใจของเราจะมีแต่ความสุขจะไม่มีความทุกข์เข้ามาเหยียบย่าทำลายจิตใจของเราได้เลยเป็นสรณะเป็นที่พึ่งของเราด้วยตัวเราเองโดยอาศัยสรณะที่พึ่งภายนอกคือพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เป็นผู้แนะนำเป็นผู้ทาเป็นตัวอย่างเราน้อมเอาคำสอนของพระพุทธเจ้า ของพระ อ, อริยสงฆ์มาปฏิบัติเราเอาเยี่ยมอย่างของการปฏิบัติของท่านมาปฏิบัติกับตัวเราท่านปล่อยวางทุกสิ่งทุกอย่างไม่ว่าจะเป็นลาบยศเสริญสุขฉันไม่ยึดไม่ติดไม่สแสวงหาไม่ต้องการท่านสแสวงหาแต่ความสงบสุขทางจิตใจที่เกิดจากการทำความดีละบาปและปฏิบัติธรรม ชำระกายวาจาใจให้สะอาดบริสุทธิ์นี่แลคือการสร้างศารณะสร้างที่พึ่งให้กับเราที่แท้จริงไม่ใช่เป็นการไปซื้อปืนมาป้องกันตัวไปซื้อเกราะกันกระสุนมาใส่ป้องกันได้แต่เพียงร่างกายเท่านั้นแต่ไม่สามารถป้องกันความทุกข์ที่จะเข้าไปในจิตใจได้ เพราะการที่ไปซื้อปืนหรือการไปซื้อเสื้อเกราะมาใส่ก็แสดงว่าใจกำลังทุกข์แล้วใจกำลังกลัวตายแล้วนั่นเองเพราะใจหลงยึดติดร่างกายว่าเป็นของตนนั่นเองแต่ถ้ามีกุศลมีปัญญามีความฉลาดจะรู้ว่าร่างกายนี้ไม่ใช่ใจไม่ใช่ตัวเราไม่ใช่ของเราร่างกายกับใจเป็นคนละส่วนกัน ใจถ้าไม่หลงไม่ยึดไม่ติดกับร่างกายแล้วจะไม่วุ่นวายใจจะไม่ปั่นป่วนใจจะไม่ทุกข์ใจจะไม่ต้องไปซื้อปืนมาเป็นอาวุธป้องกันตัวไม่ต้องไปซื้อเสื้อเกราะมาใส่อย่างพระปฏิบัติที่อยู่ในป่าอยู่กับสิงสารสาัตว์ต่างๆท่านไม่ได้มีปืนติดตัวไปด้วยท่านไปด้วยธรรมไปด้วยปัญญา เอาธรรมะเป็นสารนังกัฉามิคือพิจารณาความตายว่าเป็นธรรมดาพิจารณาว่าร่างกายนี้ไม่ใช่ตัวเราไม่ใช่ของเราถ้าพิจารณาได้และนำเอาไปปฏิบัติก็จะสามารถปล่อยอวางได้จะไม่วุ่นวายไม่ทุกข์กับความเป็นความตายนี่คือการสร้างสาร ะ, ะที่ถูกต้อง ต้องสร้างสารณะให้กับใจร่างกายนี้ป้องกันไม่ได้เรื่องความแก่ความเจ็บความตายไม่ช้าก็เร็วทุกคนจะต้องตายด้วยกันทั้งนั้นแต่ใจนี้ไม่ตายแต่ทําอย่างไรไม่ให้ทุกนี้ต่างหากที่เป็นปัญหาของพวกเราทําอย่างไรใจก็ไม่ตายจะเอาระเบิดนิวเคลียสมาถล่มใจก็ไม่ตายแต่ใจ จะทุกข์เพราะความหลงทุกข์เพราะความโลภทุกข์เพราะความโกรธเราจึงต้องอาศัยพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เป็นที่พึ่งเป็นสระนานำเอาคำสอนของท่านมาปฏิบัติเมื่อเรานำเข้ามาแล้วเราจะปลอดภัยจากทุกภัยอันตรายทั้งหลายทั้งปวงเพราะพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์นี่แล คือเกราะคุ้มกันใจที่แท้จริงจึงขอให้พวกเราจงให้ความสำคัญต่อการดูแลรักษาใจต่อการทอดดูแลการกระทำทางใจทางวาจาและทางกายอย่าให้ไปในทิศทางที่จะสร้างความทุกข์สร้างความวุ่นวายใจของเราให้เกิดขึ้นมาได้และเราจะอยู่อย่างนอมเย็นเป็นสุขไปตลอด ไม่มีความทุกข์มาเหยียบย่ำทำลายเลยจึงขอฝากเรื่องของกรรมคือการกระทำนี้ให้ท่านได้ไปพินิษพิจารณาและปฏิบัติกรรมดีสร้างบุงสร้างกุศลให้เกิดขึ้นอยู่เรื่อยๆเพื่อจะได้เป็นสาระเป็นที่พึ่งของใจต่อไปการแสดงก็เห็นว่าสมควรแก่เวลา